W c l e นย a คลีแ n นเรียกกระบวนการนี้ว่า r 2 a 2คือจดจำเชื่อมโยงซึมซับและประยุกต์ Recognize, and relate, assimilate and apply ถ้าคุณทำได้เช่นนี้กับทุกสิ่งที่คุณเห็นได้ยินได้คิดและได้ประสบจะทำให้มีมุมมองใหม่ๆกับสิ่งที่คุ้นเคย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 ที่ทำสิ่งที่คล้ายกันโดยการประมูลทางอินเทอร์เน็ตจนกลายเป็นอีเบ m ์มารีเคแอส์ได้ความคิดในการให้ผู้หญิงทำธุรกิจด้วยตัวเองและคิดวิธีการขายโดยเคาะประตูบ้าน Anita ick, อานิต้ารอดดิกเริ่มการนำส่วนผสมจากธรรมชาติมาผลิตเครื่องสำอางและสร้างอาณาจักรบอ d y h o p อขึ้นมาเบอา์สและอาเธลได้ไอเดียการนำซูปเปอร์มาร์เก็ต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 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทำโฆษณาและโบชัวเพื่อขายไอเดียแผ่นกระดาษกาวและเริ่มทดสอบการตลาดในสี่เมืองผลคือความหายนะไม่มีใครสนใจไม่มีใครซื้อเลยใครจะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้ อ, อกระดาษกาวโครงการโพสต์อิบสำเร็จอย่างบุดหวิดเมื่อเจฟฟรี่นิคโคสันและโจเซฟเรมี่เติมเต็ ม, ตมจินตนาการของพวกเขาเข้าไป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 เขานำเอาแนวคิดซูเปอร์มาร์เก็ตมาผสมผสานกับการขายอุปกรณ์สำนักงานในปีคิศรา1986พวกเขาเปิดร้านแรกที่เมืองไบรตันรัสเมสซาสุเซตสโดยตั้งชื่อว่าสเตเปิลในปีคศกรา1989เขาจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนและ10ปีต่อมามีร้านสเตเปิลมากกว่า 1,000 ร้านทำรายได้ 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี เราจะจบบทวิจณ์นี้ด้วยตัวอย่างเรื่องราวอีกสักเรื่องซึ่งเชื่อมโยงกันส่วนที่สำคัญที่สุดของจินตนาการที่ใช้ในการตลาดคือจังหวะเวลาถ้าคุณไปเดินชอปปิ้งในปลายปีคิเตศกราช1800ถ้าคุณต้องการสินค้าจากชั้นวางเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องเจรจาต่อรองกับพ่อค้าในปีคิเตศกราช1870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 รัฐนเพนซิวเนียซึ่งเป็นร้านแรกที่เขาเริ่มใช้ชื่อว่าร้าน F.W. Woodward 5และ10เซน20ปีต่อมาเขามีร้านทั้งหมด238ร้านตอนที่เขาเสียชีวิตในปีคตศกรา1919มีร้าน F.W. Woodward ถังสิ้นกว่า 1,000 สาขา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 บริษัทจ้างงานผู้คนทั่วโลกมากกว่าหนึ่งล้านสามแสนคนและให้บริการลูกค้ามากกว่าหนึ่งล้านคนต่อสัปดาห์ขณะที่วูดเวิร์ดและร้านค้าปลีกเก่าแก่เช่น Chris, เครสพยายามลองทำตลาดห้างสปปรรพสินค้าที่รองรับคนจำนวนมากด้วยห้างวูโคและเคมาดแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนักเขาเลิกล้มเอกลักษณ์สินค้า5้าเซนของตัวเองไปเมื่อเกิดวอลมาดขึ้น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 ซึ่งทุกอย่างที่อยู่ในร้านจะมีราคา99เซนต์หมดฟังดูคล้ายกับจินตนาการของ f r a n k w o o d w ิ r ์เมื่อปีคิเตศกาช1879ซึ่งสิ้นชื่อไประหว่างปีคิเตศกาช1940ถึง1950ชื่อแบบนี้ได้ฟื้นคืนชีขึ้นมาใหม่โดยเดวิดโกในปีคิเตศกาต1982เช่นเคยบรรดาเพื่อนฝูงและครอบครัว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 ในปีคิเตศกราษ1982ด้วยร้านสีสันสดใสสีเขียวและแดงเข้มมีทางเดินกว้างขวางในปีคิเตศกราษ2003เขามีร้านสรรพสินค้า142สาขาในรัฐแคลิฟอร์เนียเนวาดาและอาริโซนาเขาติดอันดับหนึ่งใน400ของเศรษฐีที่มีทรัพย์สินส่วนตัวมากกว่า650ล้านดอลลาร์ของนิตเตียสารฟลอป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 ได้บ่มเพาะไอเดียในจิตใจของผมมันได้เกลี้ยกล่อมเยียวยากระตุ้นให้มีชีวิตชีวาจนในที่สุดไอเดียก็ยิ่งใหญ่ขึ้นภายใต้พลังอำนาจนั้นมันได้เกลี้ยกล่อมเยียวยาและผลักดันผมต่อไปอีกขั้นแรกคุณต้องทุ่มเทชีวิตและกําลังทั้งหมดที่มีให้ไอเดียของคุณแล้วมันก็จะแสดงพลังออกมาและทาลายอุปสรรคที่ขวางหน้าไปจนสิ้น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 เพิ่มเติมด้วยรายชื่อต่อไปนี้อีดี้อามินฟรานซิสโกฟแฟนโกซัดดัมฮุสเซนเฟอร์ดินานมาคอสสโลโบดันมิโลเซวิกยวนเพอรอนนายพลออ ก, กัสโต้พินโนเช่อนพศนายพลสุฮาโต้ผู้นำทาลิบันในอัฟกานิสถานมาเชลโจซิป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 ถ้าเขาได้รับการนำเสนอที่ดีและก่อให้เกิดความสนใจซึ่งจะบ่งบอกความสนใจในตำแหน่งงานของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำได้แบบนี้จะไม่มีใครโยนมันทิ้งเลยเมื่อมีตำแหน่งงานใหม่สิ่งแรกซึ่งผู้จัดการที่ดีทำก็คือเปิดดูแฟ้มประวัติของผู้สมัครงานถ้างานนำเสนอของคุณออกมาดีและน่าประทับใจเมื่อนั้นมันจะปรากฏอยู่ที่นั่น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 ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ประหยัดเวลาทำงานไปหลายปีด้วยการลงทุนเพียงน้อยนิดอาจมีข้อได้เปรียบมากมายแต่หลักๆคือคุณจะประหยัดเวลาอย่างน้อยๆก็หนึ่งถึงห้าปีในการก้าวขึ้นสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกคนไม่ว่าพึ่งเริ่มต้นหรือเดินมาครึ่งทางก็ล้วนแล้วแต่ต้องวางแผนการอย่างรอบครอบและตั้งใจผทางใหม่แห่งการตลาดการบริการ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 จบบทวิจารณ์ในช่วงเศรษฐกิจตกตำ่ำผมใช้เวลาหลายเดือนที่เหมืองถ่านหินแอนทราไซต์ในเพนซิลเวเนียเพื่อเรียนรู้เหตุการณ์ที่ได้ทำลายวงการอุตสาหกรรมถ่านหินจนหมดสิน้นผู้บริหารเหมืองและสาภาพแรงงานกำลังต่อรองกันรเรื่องสัญญาแรงงานกันอย่างหนักค่าใช้จ่ายในการต่อรองไปลงที่ผู้บริโภคโดยการขึ้นราคาถ่านหิน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 ถ้ามีหลักการของเหตุและผลที่ใช้ในการควบคุมธุรกิจการเงินและการคมนาคมเราก็สามารถใช้หลักการเดียวกันนี้เพื่อควบคุมคนและกำหนดสภาวะทางเศรษฐกิจอัธยาศัยและการบริการเป็นสิ่งสำคัญของการค้าในยุคปัจจุบันมีการนำสิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้กับคนที่ทำการตลาดงานบริการเฉพาะบุคคลเพราะเมื่อวิเคราะห์ใหถึงที่สุดแล้ว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 ตัวอย่างเช่นสมมติว่าดอกเบีย้ยเงินกู้เท่ากับ 5% และรายได้ต่อปีของคุณคือ 50,000 ดอลลาร์สูตรคำนวณเป็นดังนี้100หารด้วย5เท่ากับ20และ20คูณด้วย 50,000 เท่ากับ1ล้านดอลลาร์ดังนั้นถ้าคุณให้ยืมพลังสมองของคุณต้นทุนของคุณโดยอัตราที่ธนาคารให้กู้เงินดอกเบีย้ย 5%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 ผมได้สิทธิพิเศษในการวิเคราะห์เจาะลึกผู้คนนับพันคนทั้งชายและหญิงพบว่าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตของบุคคลเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มล้มเหลวการวิเคราะห์ของผมพิสูจน์ว่ามีหลักอยู่สิบสามประการที่ทำให้ผู้คนร่ำรวยมีโชคลาภหลักการเห็นความสำเร็จทั้งสิบสามประการก็คือเรื่องในแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้และมีเหตุผลหลักสาสิบเอ็ดประการที่ทาให้ล้มเหลวสาเหตุทั้งสาสิบเอ็ดประการ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 ผู้มีการศึกษาควรได้ประกาศนียบัตรจากวิทยาลายัยมากกว่าหนึ่งสาขาผู้ที่มีการศึกษาจะเรียนรู้วิธีการที่จะทำเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการในชีวิตโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นการศึกษาไม่ได้ใส่ความรู้เข้าไปให้เรามากนักหากแต่ความรู้จะต้องถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างสม่ำเสมอสิ่งที่คุณรู้ไม่สำคัญมากนักแต่การนำสิ่งซึ่งคุณรู้ไปปฏิบัตินั้น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 ที่ไม่มีความพร้อมจะใช้เงินสดซื้อก็สามารถซื้อหุ้นได้โดยโบโรโเกอร์จะอนุญาตให้ลูกค้าสั่งซื้อหุ้นได้ด้วยวิธีมาจิน้นโดยจ่ายเงินขั้นต้นจํานวนหนึ่งยังไรก็ตามมีข้อตกลงในการสั่งซื้อคือเมื่อโบโรโเกอร์เรียกวงเงินที่ให้กลับคืนซึ่งพวกเขาเรียกเมื่อไหร่ก็ได้ลูกค้าต้องนําเงินสดที่เหลือมาจ่ายทันทีให้ครบตามวงเงินที่ใช้สั่งซื้อหุ้นไป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 ที่ทำลายความทะเยอทะยานของเรา 16. รอบคอบมากเกินไปคนที่ไม่เฉวยโอกาสจะได้แต่สิ่งที่คนอื่นเขาไม่เลือกและเหลือทิ้งไว้เท่านั้นความรอบคอบมากเกินไปเลวร้ายพอๆกับไม่รอบคอบจงสกัดกั้นทั้งสองอย่างนี้ออกไปเพราะชีวิตนี้เต็มไปด้วยโอกาส 17. เเลือกเพื่อนร่วมธุรกิจผิดเป็นความล้มเหลวทางธุรกิจที่พบบ่อยที่สุด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 ที่สร้างแรงจูงใจให้กับหนังสือจำนวนหนึ่งได้แก่หนังสือ f i e l the Fear and d o It Anyway ของซูซานเจฟเฟอร์ Wishcraft ของ b a r b a r ร s า e ชและ Do What You Love the m o n e y Will Follow ของมาชาซินเนต้หนังสือทั้งสามเล่มนี้กลายเป็นหนังสือขายดีเพราะแตกแขนงออกมาจากแนวคิดเดียวกัน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 ในอัตราส่วนที่เป็นเปอร์เซนต์ที่แน่นอนเงินในธนาคารจะเป็นหลักประกันให้มั่นใจในการต่อรองการขายบริการเฉพาะบุคคลถ้าไม่มีเงินคุณก็ต้องทำแต่ในสิ่งที่ถูกสั่งให้ทำ22ขาดความกระตือรือร้นถ้าปราศจากความกระตือรือร้นคุณจะไม่สามารถทำให้เกิดความน่าเชื่อถือยิ่งไปกว่านั้นความกระตือรือร้นติดต่อกันได้ง่าย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 ถ้าใช่เป็นเพราะอะไร6ฉันได้ปรับปรุงบุคลิกภาพของฉันหรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะเหตุใด 7. จ็ฉันได้พากเพียรพยายามในการทำตามแผนการจนสำเร็จหรือไม่ 8. ฉันได้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วและแน่วแน่ทุกครั้งหรือไม่ 9. ฉันได้ยอมให้ความกลัวหกประการมาลดประสิทธิภาพการทำงานของฉันหรือไม่สิบ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 ฉันได้ปรับปรุงความสามารถในการให้บริการอย่างไรบ้างส5หฉันมีอุปนิสัยมัวเมาหรือไม่เย็บยังชั่งใจบ้างหรือไม่ 16. ฉันได้แสดงว่าถือตัวเองเหนือกว่าคนอื่นทั้งโดยเปิดเผยหรือปกปิดไว้หรือไม่ 17. ฉันทำให้ผู้ร่วมงานนับถือหรือไม่ 18. ความคิดเห็นและการตัดสินใจของฉันขึ้นกับการคาดเดาหรือได้คิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว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 ขั้นตอนที่7สู่ความร่ำรวยการวิเคราะห์ผู้คนมากกว่า 25,000 คนที่ประสบความล้มเหลวพบว่าความไม่กล้าตัดสินใจอยู่ในอันดับต้นๆของสาเหตุความล้มเหลว31ข้อการผัดวันประกันพรุ่งซึ่งตรงข้ามกับความกล้าตัดสินใจเป็นศัตรูตัวฉกาดที่ทุกคนต้องต่อสู้เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบและเริ่มนาหลักการไปปฏิบัติแล้ว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 ตัดสินใจช้าเปลี่ยนใจง่ายและบ่อยๆหนึ่งในลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของเฮนรี่ฟอร์ดคือนิสัยการตัดสินใจที่รวดเร็วแน่นอนและไม่เปลี่ยนใจง่า ย, ายๆของเขาคุณลักษณะนี้ทำให้ฟอร์ดมีกิตติศัพท์โด่งดังเรื่องความดื้อดึงมันเป็นคุณลักษณะที่ทำให้ฟอร์ดยังคงยืนยันที่จะผลิตรถยนต์ซึ่งมีชื่อเสียงคือโมเดลรถยนต์ที่อัปลักษณ์ที่สุดในโลก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 จากหนังสือ A Lifetime of l i c h e s The Biography of Napoleon Hill นั้นได้กล่าวถึงเฮรีย์ฟอร์ดไว้ว่าถ้าหากฟอร์ดไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับรถของเขาแล้วเขาดูเป็นคนค่อนข้างเย็นชาไม่ใส่ใจไม่กระตือรือร้นและจะพูดเมื่อถูกกระตุ้นเท่านั้นนอกสจากคาเนกี้แล้วก็มีน้อยคนนักที่จะสามารถคาดคะเนความสำเร็จของฟอร์ดได้ฮิลยอมรับฟอร์ดในเรื่องของการควบคุมตัวเอง และความตั้งใจจริงเป็นอย่างมากตอนที่ฮิวได้พบกับฟอดครั้งแรกในปีคิตศักราต1911ฟอรดสนใจจะพูดแต่เรื่องรถยนต์โมเดลทหลังจากฟอร์ดพาเขาทัวร์รอบโรงงานแล้วฮิวก็ได้ซื้อรถราคา680ดอลลาร์ไปหนึ่งคันจบบทวิจารณ์ตัดสินใจด้วยตัวคนเองคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวในการจะได้มาซึ่งเงินทองที่เขาต้องการนั้นมักจะถูกชักจูงด้วยความคิดเห็นของผู้อื่นง่ายเกินไป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 จงจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณเปิดปากพูดพูดคุยกับผู้รู้คุณจะแสดงว่าตัวเองมีความรู้มากมายแล้วหรือจะแสดงให้เขาเห็นว่าไม่มีความรู้สัญลักษณ์ของผู้มีสติปัญญาที่แท้จริงก็คือเงียบและถ่อมตนคิดไว้ในใจเสมอว่าทุกๆคนก็เป็นเหมือนคุณคือแสวงหาโอกาสที่จะทาเงินถ้าคุณพูดคุยเกี่ยวกับแผนการของคุณง่ายเกินไปคุณอาจต้องประหลาดใจ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 เราจดจำวันเลฟอร์ดและยอร์กทาวได้เราจดจำจอร์จวอชิงตันและลอร์ดคอนเวลลิสได้แต่กลับรู้ไม่มากนักเกี่ยวกับพลังผลักดันที่อยู่เบื้องหลังรายชื่อวันและสถานที่เหล่านั้นเรารู้เกี่ยวกับพลังที่จับต้องไม่ได้น้อยมากทั้งๆ ท, ท, ที่มันได้สร้างอิสรภาพให้เราก่อนที่กองทัพของจอร์จวอชิงตันจะเข้ายึดยอกทาวเสีอีก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 และกลับเป็นสาเหตุทําให้เกิดสถานการณ์ซึ่งลงเอยด้วยการเปลี่ยนแปลงอารยธรรมของสหรัฐอเมริกาไปตลอดกาลพิชาร์เฮนรี่รีกลายเป็นตัวละครสําคัญของเรื่องนี้เนื่องจากเขาและแซมมัวออดัมประสานงานกาันและเปลี่ยนทั้งความวิตกกังวลและความหวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จากจุดนี้ทําให้ออดัมได้แนวคิดที่จะส่งจดหมาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอนานิคมทั้ง13แห่งเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีคิทสกศกราช1772สองปีหลังจากการประจันหน้ากับกองทหารในบอสตันอดัมเสนอแนวความคิดกับสมัชชาในการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานในระหว่างอนานิคมเพื่อวัตถุประสงค์ ในการยกฐานะของอาณานิคมแห่งบิติสอเมริกามันเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดองค์กรของพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะนำมาซึ่งอิสรภาพของคุณและผมได้มีการจัดตั้งทีมงานระดมความคิดขึ้นประกอบด้วยอดัมส์ลีและแฮนคอกบัดนี้คณะกรรมการประสานงานได้ถูกจัดตั้งขึ้นแล้วก่อนหน้านี้ประชาชนในอาณานิคมได้ทำการต่อต้านทหารอังกฤษอย่างไร้ระเบียบ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 จะมาชักจูงให้ผมละทิ้งความชอบธรรมของประเทศได้และช่วยบอกคำแนะนำของแซมัวอะดัมไปยังผู้ว่าการเกตด้วยว่าอย่าดูหมิ่นความรู้สึกโกรธแค้นของประชาชนเมื่อผู้ว่าการเขตได้รับคำตอบกลับของอะดัมแล้วเขาก็บันดาลโทรสะและมีคำประกาศออกมาว่าข้าพเจ้าในนามของกษัตริย์แห่งอังกฤษที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ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 เพื่อโ น, น้มน้าวจิตใจของคนอื่นๆโดยความเห็นพ้องต้องกันของที่ประชุมโดยจัดให้มีการประชุมสภาหแห่งทวีป Correspondent Continental Congress ครั้งแรกขึ้นที่ฟิลาเดลเฟียในวันที่หกันยายนปีคิศส์ศก1774โปรดจำวันนี้ไว้ให้ดีเพราะมันสำคัญยิ่งกว่าวันที่4กรกดาคมปีคิทสรศก1776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 ผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ประจำาวอจิเนียเขาก็มีปัญหากับผู้ว่าการเหมือนแฮนค็อกและอดัมไม่นานหลังจากที่ได้ตีพิมพ์สาระสำคัญแห่งสิทธิเจฟเฟอร์สันก็ได้รับแจ้งว่าเขาโดนข้อหากระบฏต่อรัฐบาลแห่งกษัตริย์อังกฤษและยังได้สร้างแรงกดดันให้เพื่อนร่วมงานของเจฟเฟอร์สันคนหนึ่งคือแพทริกเฮนรี่ซึ่งได้กล่าวประโยคอันเป็นอมตะว่า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 แห่งสาธารณรัฐอเมริกากันเถอะให้ประเทศเราลุกขึ้นไม่มีท้อแท้สิ้นหวังมีแต่ชัยชนะแต่เพื่อสถาปนาสันติภาพและกฎหมายของเราก่อนที่ยติของเขาจะได้รับการลงคะแนนไหนที่สุดลีก็ถูกเรียกกลับเวอร์จิเนียเนื่องจากคนในครอบครัวป่วยหนะักแต่ก่อนจะจากไปเขาฝากงานสำคัญไว้ในมือของเพื่อนคือโทมัสเจฟเฟอร์สัน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 เมื่อเจฟเฟอร์สรันอ่านสารจบสารนั้นก็ได้รับการลงคะแนนยอมรับและเซ็นชื่อโดยคนหสิบคนทุกคนเดิมพันชีวิตด้วยการตัดสินใจเขียนชื่อลงไปในเอกสารนั้นการตัดสินใจนั้นนำไปสู่การคงอยู่ของชาติใหม่ชาติหนึ่งและลงเอยด้วยการตัดสินใจอ น, นำสิทธิประโยชน์มาสู่มวลมนุษยชาติตลอดไป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 ในหนังสือเล่มนี้มันไม่ยากเลยที่จะค้นให้พบหลักการที่ใช้ในการประกาศอิสรภาพอย่างน้อยหกประการอันได้แก่ปณิธานการตัดสินใจศรัทธาความมุ่งมั่นการระดมความคิดและการวางแผนเมื่อคุณรู้ดีว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วคุณก็จะได้ตามนั้นโดยปรัชญานี้คุณจะพบคาอธิบายว่า ความคิดที่มีปณิธานอันแรงกล้าอยู่เบื้องหลังจะแปลเปลี่ยนตัวมันไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไรเรื่องราวของการสร้างสหรัฐอเมริกาและเรื่องราวของการก่อตั้งบริษัทยู่นเทสเตสติลเป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีการที่ความคิดแปลเปลี่ยนให้เกิดผลได้อย่างน่าประหลาดใจในการค้นหาความลับของวิธีการอย่ามองหาความมหัศจรรย์